สิกขาบทวิพังแปดร้อคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอภิกษุณีนี้พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่าภิกษุณีในความหมายนี้คําว่าภิกษุคืออุปสัมบัญ คำว่าผู้กำลังฉันอยู่คือผู้กำลังฉันโภชนาห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าน้ำดื่มได้แก่น้ำดื่มชนิดใดชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าการพัดวีได้แก่พัดชนิดใดชนิดหนึ่งคำว่าปรนิบัติอยู่ความว่ายืนอยู่ในระยะหัตถบาทต้องอบัตปาจิ ต, ตี